ทำมา <c oughs> เคยกลุ่มมาหลายการหลายคนใส่เฉพาะจต่พันเอเดียวก่มความจดจำของพวกเราถ้าหาป่าไม่มีการหลงรูที่เราได้ระดับล็อฟัางมาเพนัว่า ม, มาก พอสควรจนหาที่หาเป็นด่านวัตถุหาที่ทเยุดไม่ได้เพราะมากสมากเรื่องสัญญาอนิจจาพอระดับเราฟังไปหายไปหายไปฉะนั้นเรื่องการระดับเราฟังเป็นด่านหนึ่งคือเป็นด่านทุษ ด, ดีซึ่ี่ับ จะให้พวกเราท่านรู้จักการประพฤติปฏิบัติท่านอย่างไรต่อ ย, อย่างไรต่อไปเรื่องการระดับเล่าฟังมนนีการลงลืมอย่างนั้นแต่การปฏิบัติทางใจที่พระพุทธเจ้าทรงแลอนผู้ปฏิบัติทุกคนเมื่อเป็นเห็นขึ้นจากการปฏิบัติของตน จะไม่มีวันลืมหลงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติความสงบสงัดของใจได้ทำอยู่สถานที่ใดและจิตใจได้เกิดรู้เห็นเป็นอัิจรรขึ้นนั่นไม่มีการหลงลืมตั้งแต่วัน เป็นวันเห็นวันรู้ถึงจะไม่เกิดอีกเป็นทีกแต่ก็เชื่อพอยินดีและจำแม่มีความเห็นความเป็นของใจทีแต่เทศปฏิบัติส่วนการจำจากครูอาจารย์นั้นมันมีการหลงลืมเป็นธรรมดาแต่ที่เราจะมีจิตใจปฏิบัติเราะ ได้สดับรับฟังจากครูจากอาจารย์อ่านจากาหรับตารามาทางนั้นดังนั้นในขณะที่เราสดับรับฟังก็ให้นั่งภาวนาไปในตัวอย่าทรงจิตคิ ด, ดลงไปที่อื่นเวลาสดับรับฟังให้ตั้งใจแน่วอยู่เฉพาะไม่ใเกิเกี่ยวหรือเกิดเพินไปตามปัญญาอารมณ์อื่น หน้าที่ของท่านจะแสดงหนักเบาต่ำสูงอย่างไรเป็นหน้าที่ของผู้แสดงหรือควรจะไปย่นเกี่ยวหน้าที่ของเราห้ถึงว่าเป็นเวลานั่งภาวนาเอาธรรมะที่ออกจากปากของท่านไปสัมผัสกับใจเมื่อเราตั้งไว้ใจจะสัมผัสกับเสียงของธรรมและจะทำทจิตทำใจให้สงบได้ เอรงรวมด้านแต่นั้นวันนี้พว <c oughs> กเราท่านก็ได้มาประชุมกันมีแต่ฝ่ายนักบวชหรือีิสูจสามเณรไม่มีครว่ามาอยู่เกี่ยวนักบวชโดยส่วนใหญ่ในสมัยพุทธกาลการบวชของท่านบวชโดยศรัทธาบวชโดยความเห็นใจ คือเป็นใจบวชอยากจะออกจากทุกข์าตราเมนาเรีว่าเป็นทุกข์ท่านนกคิดบัวนายในการเกิดตายท่านเพินงออกบวชแสวงหาทางที่จะ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารเพราะระยะเวลาที่เป็นคารวะไม่มีโอกาส ทำนวยให้จิดการงานด้านอื่ยยุ่งไม่มีโอกาสเวลาเพียงพอต่อหน้าที่ในทางปฏิบัติผู้เป็นนักบวชที่ออกบวชแล้วจึงมีโอกาสมากกว่าคารวะเพราะอะไรเรื่อยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอะไรทั้งหมดมีแต่ตั้งใจกำหนด กิทจรารณาธรรมจิจารณาใจของตนซึ่งเคยยุ่งเคยซึ่งไปต่างๆให้หรวมสงบเข้าเป็นสมาธิเพราะสติไรยา ท, ที่เราอยู่ในที่สงบสงัดเป็นนักบวชเขาถือว่าเพศต่างจากครือหัด ผู้คนเขาก็ไม่่อยอยากจะมายุ่งเกี่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นนวากะเป็นพระหลูวัดมีความสะดวกสบายมากมีโอกาสเวลามากความจิตใงเรื่องอื่นไม่ค่อยมีมีแต่หน้าที่จะททำจิตทำใจของตนให้สงบสงัดปฏิบัติตนให้รับความสุข จากการภาวนาต่ผู้ใหญ่หรือวัวหน้ามีความนึกคิดหลายอย่างมีธุรกิจมากทั้งฝ่ายตัวเองและคนอื่นที่มายุ่งเกี่ยวแตะนั้นระยะเวลาที่เราเป็นหลวงวัดอยู่จึงมีหน้าที่ที่จะปฏิบัติจิตใจ ได้เป็นที่หากเรายังไม่รู้เห็นเป็นให้ในระยะที่เราเป็นหลูกวัดอยู่เมื่อเป็นหัวหน้าก็าไม่มีโอกาสเวลาพอที่จะปรกิจปฏิบัติให้รู้เห็นเป็นขึ้นพอยุ่งเกี่ยวกับหมู่คณะตลอดถึงฝ่ายรารวาที่เข้ามาเกี่ยวข้องเวลาไม่ค่อยจะมีเหมือน ที่เราเป็นนาวากะหรือเป็นหลูวัดอยู่แตะนั้นพวกเราท่านที่มาบวชบวช ด, ด้วยความเห็นใจตัางใจบวชที่ญ่ออกจากทุกข์ขอพึงกำหนดที่นี้ที่เจรนามีสติตามรักษาจิตอยู่สม่ำเสมอมีปัญญาแนะสอนจิตเมือ่อจิตปุงไปในฝ่ายชั่วฝ่ายตำ่ำ ใหกลับตัวเข้ามาหาอาธาิธรรมจิตที่จะสงบระ ง, งับได้อาศัยสติอาศัยปัญญาอาศัยความเอาใจใส่ในการระวังรักษาจะภาวนาพุทโธก็ให้สัมผัสอยู่กับพุทโธจรงจิงๆจังๆไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอะไร แต่ภาวนาทำโมสังโคของม้วนกันกำหนดลมของม้วนกันกำหนดอยู่นั้นลมมาสัมผัสดั่งจมูกเนื้อทีไหนก็กำหนดอยู่นั้นจะยาวสั้นไม่ต้องเกี่ยวข้องเพราะไม่ให้จิตผุ่งโผงไปสูเรื่องอื่นจนจิตกับคำวลิกรรมหรือลมนั้นอยู่โดยกันลมจะละเอียดเข้าไป เรื่อยเรื่อยจนฝนจีดจิตละเอียดเท่าไรลมละเอียดถท่าไปเะวจนบางทีลมหายใจไมนีีคือจิตละเอียดเทาไปถึงที่ไม่มีลมหายใจไม่ทราบว่ามันอ่ามันเข้าทางไหนบางท่านบางคนก็จะเข้าใจว่าเออลมไม่มีไม่ใช่เราตายหรือมีความคิดบางท่านบางคนอาจคิดขึ้นเมื่อคิดอย่างนั้นจิต ก็พุ่งพว ง, งออกมาทางนอกลมก็หยาบออกมาตามเดี่ของของจิต ท, ที่อยางถ้ากิตละเอียดจิตเขารวมลงเป็นหนึ่งลมไม่ได้เกี่ยวข้องลมละเอียดเชนเลยตากฏดว่ามีลมหายใจนี่คือใจเข้าไปสงบใจรวมตัวลงเป็นหนึ่งเราทุกคนภูมมุ่งมั่นจี่เป็นสมณนะมาบวชในศาสนา ถึงศึกษาถึงกระทำถึงบำเพ็ญให้รู้ให้เห็นให้ดีให้เด่นเมือ่อนานจีไปเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นหัวหน้าคนเรายังไม่มีสมบัติภายในคือใจของเรายังไม่มีอาจทำน้าจะไปเกี่ยวข้องกับพวกหมู่กองเกี่ยวข้องกับการงานต่างๆ ก็จะไม่มีทางฝึกอบรมตัวเนจะมเห็นไม่เป็นให้ระยะหน้าที่เวลาเรามีครูมีอาจารย์อยู่เป็นหัวหน้าล้วต้องหาเพียนพยายามแต่ทำบำเพ็ญอย่างเป็นเนต็ตเป็นหน่วยหยุดหักลงสงบละงับ รวมเป็นหนึ่งได้เมื่อถอนขึ้นมาพิจาจรณาสิ่งต่างๆจะเห็นตามเป็นจริงถ้าหากไม่คิดในนึกแต่ที่เรณาอยากใ้ส ง, งบส ง, งัดอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นก็ไหมเข่าท่ามีความถูกแต่ความ ส, ามส ง, งบส ง, งัดพอจิตถอนขึ้นมาสิ่งที่เคยผุ่งผุ่งต่างๆ พอเกิดขึ้นแล้วก็ยุ่งเหยงเห็นว่าการคิดนึกอย่างนั้นมันเป็นทางทุกข์ทางลำบากกออยากจะเข้าสงบอีนี่คือติดสมาธิติดความสุขในสมาธิและในส่วนปัญญาที่จะละถอนที่เหลือปัญหาไดา้พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้มีสมาธิปัญญาส่วนสีนทุกท่านทุกคนกวรู้จัก รักษาตามอำนาจของตัวส่วนสมาชิต้องขยันหมั่นเพียรกำหนดจริงๆจังจังจิตจริงใจร่วมได้รวมได้มเมื่อจิตรวมปัญญาก็มีหน้าที่จะพิจารณาอีกไม่ใช่ว่าจะเกิดเองเราติดข้องเศ้าหมองต่างๆเกิดมาจากอะไรความรักให้ ตําหนักยินดีโกรธเกียดต่างๆมันเกิดขึ้นมาจากอะไรโดยส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นมาจากใจใจที่ไหนรู้เห็นตามเป็นจริงทําให้โกรธให้เกลียดให้รักให้ชอบถ้าพิจารณาให้รู้เห็นตามเป็นจริงจะพิจารณาอย่างไรพอพิจารณาขั น, นของพวกเราท่านนี้เองไม่ได้ไปพิจารณาที่อื่น พเพราะเรื่องของขันหรือเรื่องของกายที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่าเป็นสติปัฏฐานควรตั้งสติลงในกายพิจารณาให้แยบคายตามเป็นจริงของมันวามจริงจิตหลงกายมันไม่หลงกายมีหน้าที่อย่างไรเป็นไปตามหน้าที่ของมันไม่ว่าเราจะภาวนาหรือเราจะอยู่ธรรมดาเราจะหลับอยู่ก็าตาม ตื่อยู่ก็าตามหน้าที่ของกายจะเป็นไปตามหน้าที่ของมันเรื่อยไปเมื่องความเกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนผลที่สุดถึงจุดกว่าแตกสลายเรื่องของกายเป็นอย่างนั้นกายจริงๆไม่รู้จักอะไรเราจะพาทําดีทําชั่วเป็นเรื่องของใจไม่ใช่เรื่องของกาย เรื่องข้าใจเป็นเรื่องสําคัญที่พวกเราท่านจะเอาสติปัญญาจดจ่อคิดพิจารณาอยู่มันขวางติดถือกายบ่เราถือเราบ่ากายพิจารณาให้แยบคายเข้าไปอะไรซึ่งเป็นเราอะไรซึ่งเป็นกายเรื่องอุบายปัญญาสืบสอบคิดนิพพิจารณา ข, ข้างนอกข้างในพิจารณาเข้าไปจนลูไประจัก่์เห็นจริงจิตยองวางทึ้งปล่อยทิ้ไม่จิดข้ขอกา้ทุกสิ่นทุกส่วนถึงเราหลงว่าเราว่าเขาว่วาหญิงว่าชายว่าัวว่างามต่างๆถึงทำให้จิตกำนัดยินดีอยากนา เพราะปัญญาภายในจิตไม่เพียงพอบอริบูรณ์ให้กำหนดที่นิพพยานาด้วยสติปัญญาจริงจังอวัยาวะทุกส่วนที่โลกสมมติว่าแขนว่าขาว่าหน้าว่าตาว่านั้ว่ากระดูกต่างๆท่ามจิงเขาไม่ได้ว่าเป็นโลกสมมติเรารู้จักกันส่วนเหล่านั้น เขเป็นอย่างไร <c oughs> เขาบอเป็นไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสมมติยิ่งไม่เหมือนกันชาติหนึ่งสมมติไปอย่างหนึ่งภาษาหนึ่งเขาพูดไปอย่างหนึ่งแต่ก็เอะไวยา ล, ล่ะอันเดียวกันเปี่ยนใจนั้นติดข้องเหมือนกันไม่เจอว่าชาติใดภาษาใดคนที่ยังเป็นคนตัวจ๋าเฉลียดจะต้องมีความหลงไหล ในเรื่องของกายในเรื่องของรูปรูปเป็นข้องหยาบทานจิงไถจารณากว่าให้เข้าใจตามเป็นจริงข้องมัดในรูปนั้นมันเป็นอย่างไรแน่นอนเมื่อจิตมีสมาธิมีหลักฐานมีความมัน่นคงของใจอยู่แล้วพจนารณาแล้วพจนารณ า, าเล่าจนให้จิตเข้าใจยอมจำนนปล่อยวาง เพราะพิจารณาแยกออกเป็น่าตุและพิจารณาสุภาอสุสังพิจารณาได้ไม่มีอะไรที่จะแหลมคมเท่ากับจิตจิตรงไปได้ถึงตูเขาตัวใหญ่โตขนาดไหนก็ไปได้ทะลุได้ไปแสนไกลก็ไปแต่เดียวเดียวเร็วกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องของจิต แต่เรามาเด็ดที่นพิจรารณาเรื่องของอัดของทำจิตจิ้งยุ่งจิ้งโงไปจิตคล่องต่างๆาเอาอัดเอ า, อ า, เอาทำที่นี่พิจรารณาจรงิงจังเรื่องธาตุขันที่ว่าหญิงชายก็ประกอบขึ้นจากธาตุทั้งสี่เหมือนกันไม่มีอะไรจิตแตกแตกต่างกันเขาก็มีธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันธาตุขันไม่รู้จักอะไร ไม่ว่าของผู้หญิงไม่ว่าของผู้ชายตามสมมติเราคิดดูเขาหายตายไปธาตุขันผู้หญิงผู้ชายถึงเคยรักใครติดใจกันอยู่จะเอาไปทิ้งกองเทินกันไว้พอมาเห็นเขากำหนัดยินดีเพลิดเพลินอะไรกันหน้าที่ของธาตุขันที่เป็นน้ําก็จะต้องโยมออกไหลออกเน่าเปียกไปตามธรรมชาติของมันหรือเป็นไอขึ้น ตามอากาศส่วนธาตุที่เป็นดินก็จะแห้งลงไปเหี่ยงลงไปสู่ดินหรือผุไปเป็นดินตามธรรมชาติของมันธาตุขันจริงจังเป็นอย่างนั้นแต่พวกเราท่านไม่ได้พิจารณาให้จิตรู้เห็นตามเป็นจริงจึงไปหลงหว่าหญิงว่าชายว่าสวยว่างามนี่เป็นอุบายปัญญาที่จะพิจารณาเรื่องขาดขัน เมื่อจิตตั้งมั่นจิตมีสมาธิพิจรารณาได้การพิจารณาด้วยปัญญาเป็นทางที่จะถอดถอนกิเลสปัญหาความติดข้องความยึดถือท้องใจทางทางวิจารณามีแต่สมาธิอย่จะฉล้วมอยู่ด้วยความสุขถ่ายเดียวไม่ได้ ค, คิดพิจรารณาใช้ปัญญาตัดถอนบัตรลอ น, ลอนกิเลสนั่นปกคงอยู่อย่างนั้นเหมือนกันกับหินทับหญ้า ยกหินออกเมื่อไดอยากกว่า จ, จะงอกขึ้นไม่ได้ถอดถอนล่าโคลนของมันออกทิ้งเป็นอย่างนั้นปัญญาเหมือนกันกันกบถอดถอนล่าโคลนของมันจิดที่ต <c oughs> ิตคล้องต่างๆเมื่อเราพิจารณาเมื่อปัญญาจริงจังจะถอดถอนการติดคล้อง ตามเศ้าหมองคลองใจ ใ, ใจจะมีความรู้ความเบาสบายไปตามเปลียนผลที่เป็นได้พิจรารณาใส่ถอดถอนออกทางปัญญามีอย่างนั้นขาดขันมีทุกคนจิตจิตคล้องเรื่องของขาดขันต่าง่านต่างคนต่างจิดคล้องไม่จเจอว่าไม่จิตคล้อง ในอย่างนั้นไม่กำหนัดมายินดีเพราะความติดข้องของขาดขันหลงว่าขันนี้เป็นเราเรานี้เป็นขันเมื่อหลงตัวก็ไปหลงคนอื่นแรงกำหนัดยินดีเพลิดเพินไปตามเรื่องของกิเลสปัญหาการพิจารณาแก้ความกำหนัดยินดีกับพิจารณาเลื่องพองตายให้รูเห็นตามจริงจริงดูทุก สิ่นจุกส่วนของกายเรือนนั้นตอนบวชเป็นสา ม, มาณีอุปสาท่านจึงแน่สอนกรรมฐานให้เพื่อปราบใจของตัวที่กำหนัดยินดีในรูปต่างๆท่านก็สอนเทษาโลมาณัฐาทันตาสาโโฌสอนห้อย่างเรียกว่ามูลกรรมฐาน ทุกคนที่บวชในเรียนกรรมฐานมาทางนั้นในใจไม่เป็นกรรมฐานไในใจว่าพวกอยู่ป่าผ่าดำดำหรือว่าผ่ากรรมฐานความจริงนักบวชเป็นกรรมฐานในเรียนกรรมฐานกรรมฐานนี้ในใ่ว่ามีแต่นักบวชฆราวาสกว่ามีเจสาเจอผมใทยเ่าไม่มีโรมาขนก็มีเหมือนกันทุกคนทานตาฟันนักขาเล็บ ใส่โจหนังนี่แหละเป็นที่ตั้งของความหลงที่สื่อสามมาเนี่ที่จะอยู่วัดอยู่ว่าไม่สะดวกสบายไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องกิเลสตัณหาเรื่องความหุ่มหลงกรร ม, มาฐานเพราะที่อยู่ที่อาศัยพอเป็นไปทุกอย่างอาหารการกินก็พอเป็นพอไปก็ อ, อยู่ได้ถ้านุ่งผ้าห่มก็มีอะไรทุกอย่าง มีเหมือนกันกันกบคารวาสเขาแต่จิตใจนักบวชที่อยู่วัดอยู่ว่าไม่ได้ก็คือเรื่องของตามมัจจิเลห์ความอยากเสพสมความกำหนัดยินดีในเพศตรงห้าอุปสาให้อาวุธคือกรรมฐานทั้งห้าเพื่อปราบปรามจิตใจจิตไขคิตอย่างนั้นจดแอ น, นากัน ถึงจุดด้วยจิตที่นีสมาธิมีความตั้งมัน่นที่เรนาอย่าวผมขนแล้วฟันหนังให้ประจับหนังทุกคนที่หลงกันผิวนอกของมันนิดเดียวเท่านั้นถ้าหากเราขัดออกผิวนอกที่เราหลงได้นิดเดียวก็จะเห็นความ กระจีกูลสวกระปภายในเข้าไปคนไม่มีหนังไม่หลงกันหลงกันชิ้วหนังหนอกๆาะเราที่เจรนาโดยปัญญาทั่วถึงจริงจังหนังไม่ใช่ของดีของสวยของงามเราได้ขัดถูํำระล้างอยู่ทุกวันกอบข้อหนังมันเป็นของสกปรปก ไม่ใช่ตังแฟนหนังเข้าไปภายในมันก็โสมปบกในมนุษย์ไม่มีอะไรที่จะน่าดูน่าชมที่เราหลงกว่าเพราะเราไม่มีปัญญาไม่ได้พิจนารณาตามความเป็นจริงไม่มีอะไรเลยในมนุษย์ที่จะน่าปลอดน่าชมน่ายินดีน่าเพลิดเพลินนี่แต่ทองสมกบกทั้งนั้นผีดิบ ยังไม่ตายก็เน่กกาก็เหม็นออกมาทวานใดมี่แต่ของปฏิกูลทางนั้นไม่ใช่ของสวยสดงดงามหลุมบม่ดหลุมขุดกว้างหม่กว้างขุดหรอกวางสีใหญ่ไหลออกตรงแต่น้ำเน่าน้ำหนองแต่ เ, เราไปที่เจรณาตามเป็นจริงอย่างนั้นน้ำลายจิตตกออกมาจากปากเป็นยังไงน้ำหมู ออกจากเูาจะหมูกเป็นอย่างไรสวยไหมงามไหมน้ำมูดน้าเหนียวซึ่งไหลออกตามกายเป็นอย่างไรใครชอบใครยินดีถ้าที่เยนาเรื่องของธรรมแล้วจิตจะรู้เห็นตามเป็นจริงว่ากายนี้เป็นของเน่าของเหม็นเป็นทีเน่าไม่น่าชอบหน้าจิตไม่น่ากำหนัดยินดี อวัยาวะเพศที่เราหลงเขาก็าไม่หลงกันเหมือนเหมือนกันไม่ว่าของผู้หญิงผู้ชายด้วยอํานาจจิต จ, จิตข้องจิตนกกึกพอเลยไปเป็นอาวุธของ จ, จอิตเมื่อจิตกําหนัดยินดีอวัยาวะเพศก็เป็นไปตามเรื่องของ จ, จิตจิตคิดปรุงต่างๆหากจิตไม่กหนัดินดีจิตเบือ่อหน่ายใจกหนัดไม่ชอบ ไม่ติดในสิ่งเหล่านั้นอวัยวะเพศเขาก็คงที่อยู่อย่างนั้นเหมือน ก, นกันกับอาวุธเขาไม่ได้ทำอะไรนอกจากคนจะเอาไปใช้ไปยิงไปฟันไปแทงคนอื่นให้ปวดเจ็บให้ล้มตายความจริงอาวุธเที่ยงไว้ที่ไหนเขาก็อยู่อย่างนั้นมี อ, อวัยวะเพศเขาปลวกเรา พอทำนองเดียวกันไม่ใช่ว่าเขาดื้อเขาดึงเขาเพลดเขาเครินเป็นใจเพราะจิตที่เลยที่นิสัยเจรณนาตามความเป็นจริงส่งเสริมีิเลตัญหาภายในจิตของตัวให้ปุ่งกลวงไปอรอิยเกษตรก็เลยเป็นอาวุธสำหรับที่จะต่อสู้กับเรื่องเหล่านั้น ไม่ใชอสู้เพื่อใจทชนะต่อสู้เพื่อทุกข์เพืยากเพื่อลำบากลาําคากเราท่านที่จะได้มาตามเป็นจริงแล้วทุกเส้นทุกส่วนในกายไม่ว่าหญิงว่าชายเป็นอันเดียวกันคือขาดอันเดียวกันขันอันเดียวกันคลองทุกข์อันเดียวกันเราเกิดมาพระพุทธเจ้าอ่ะชาติีติลูกขามันเป็นทุกข์ทุกตัณฑ์วันเกิดจนกระทั่ง ปัจจุบันก็ยังทุกข์ทุกจนทนไม่ได้จนแตกสลายเรื่องของทุกข์มีประจําอยู่อย่างนั้นในถาดในขันแต่ก็ถาดขันเขาไม่ทราบว่าเขาเป็นทุกข์เป็นฉุกอะไรพาพิจารณาด้วยใจบริสุทธิ์พิจารณาด้วยปัญญาตายาจริงจังพวกเราเจะสลดทั้งเรดทวามคิดติดข้องในสิ่งของที่ ไม่เที่ยงกว่าเป็นของเที่ยงของปฏิปูนกว่าของเหงือของงามของไม่ใช่ตัวใม่ตนกว่าตัววัดตนเดี๋ยความสําคัญผิดของตัวในเนื้อคิดพิจรารณาหยียบทายเลยถือส ม, มดุดเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้คนติด ส, ส ม, มุดไปตามเรื่องของเขาที่พูดความจริงเป็นอย่างไร แม่ที่เจริญน่ะหลงมามในชาติวะวันสองวันปีสองปีชาติหนึ่งชาติเดียวหลวงมาในชาติาวาจีกลับจีกันความจริงถ้ า, าเราไม่หลงอย่างนี้ก็ไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้มาเกิดเป็นจักรผูกห้องข้อ ง, งด้วยสัญญาอารมณ์ของตัวเองข้องในกิเลสตัญหาของตัวเองไม่ใช่อันอื่นมาข้อง โลกเขาก็อยู่เป็นโลกอยู่อย่างนั้นธาตุขันถ้าหากไม่มีจิตนะเกี่ยวข้องจิตหมดสมมดในตัวจิตมู่ทั่วสใยว า, างจริงจังมันจะมาเกี่ยวข้องมาเป็นธาตุเป็นขั น, นยิบได้อย่างไรเพราะมันหมดเชื่อที่จะไปเกิดนี่มันยังมีเชื่อ นั่นถึงฟงคิดติตข้องต่างๆเมื่อไรเราจะทำละขาสารเมื่อไรเราจะทำให้จิตใจของเราบริสุทธิ์เมื่อไรเราจะค้นจากทุกได้สักทีพิจารณาหาทางแนสอนจิตใจคนดูเหวี่ยให้เข้าใจตามความเป็นจริงของธาตุขันธ์เ่อารู้ธาตุรู้ขันธ์ ตามเป็นจริงแล้วจิตจะไม่หลงไม่ยึดถึงมีธาตุมีขันเหมือนกันกับพวกเราพระพุทธเจ้าเลือ่อสาวกท่านสเร็น <c oughs> เป็นอรหัสต์อรหันต์ก็ไม่ใช่ว่ า, าธาตุขันท่านแตกลายไปถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะมาเนี่ยสอนสภาสัตวธาตุขันของท่านก็ยังอยู่แต่เท่าว่าจิตไม่ได้ยึดถือรู้ตามเป็นจริงของาธาตุขันทุกในจิต อย่าว่าโศกะผลิเทวะไม่มีโคมนัดไม่มีทุกในขันเมื่อขันยังไม่แตกสลายจิตกับขันยังอาศัยกันอยู่ก็มีเป็นธรรมดาแต่ท่านว่าทุกขันมันจะถือว่าทุกจิตทุกจิต ท, ที่ไปติดข้องไปยึดถือจะโศกเศร้าเสียใจเวี่ยอาการอันใดไม่มีสำหรับผู้ที่ขันละขันถอนขันรู้ันเข้าใจ อย่างจริงจังเป็นอย่างนั้นถ้าจริงให้พิจรารณาเรื่องของธาตุขันตามเป็นจริงข้องมัดมันเป็นอย่างไรให้พิจรารณาอย่างนั้นก่อนที่จะพิจรารณาธาตุขันแยบหายเข้าใจได้จนจิตใจละถอนเรื่องความข้องจิตต่างๆประอบขาอาศัยจิตที่มีความตั้งมั่นคือสมาธิในอย่างนั้นจะเป็นสัญญาลูกคมไป แลียวายไปเป็นอันอื่นามลาถอนติดข่องต่างๆจะไม่ขาดตกออกไปพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ฝึกอบรมสมาธิให้จิดขอ ง, มมองตตั้งมั่นเห็นความสงบข้งใจเห็นอัตจันในความสงบพอต้องควรเชื่ก่อนความสงบกว่าเป็นของที่ทุกคนจะรู้จะเข้าใจ ในตนเองความถอดถอนก็เหมือนกันไม่ใช่คนอื่นจะมาบอกให้ว่าท่านนี้สงบเป็นสมาธิดีอย่างนั้นอย่างนี้ท่านนี้มีปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถฝ่าฟันกิเลสปัญหาหมดแล้วปากคนอื่นไม่ใช่ของปากสิทธิ์เพราะที่จะบอกบุคคลนั้นให้เป็นอย่างนั้นบอกให้คนนี้เป็นอย่างนี้ได้ ตัวของเราเองเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่จะประพฤติปฏิบัติตัวของตัวให้เห็นให้เป็นให้เกิดขึ้นสิ่งใดที่ยังไม่เห็นมันดำเพนพิจารณาเรื่ออุบายปัญญาจริงจังอย่าไปคาดสันพอเราพิจารณาอย่างนี้คงจะเกิดผลอย่างนั้นอย่างนี้น อ, ยนอย่าไปคาดสันผลมันจะเกิดขึ้นเองเพราะให้ตั้งมัน่นจะกําหนดอะไรกําหนดอยู่นั้น ในจิตรงฟุ่ ง, ป ง, งไปสู่เรื่องอื่นมันก็สงบได้รวมได้ปัญญาอุบายต่างๆก็ต้องพิจารณาเองความรู้ความสลาดเราไปสะดับรัาฟังหรืออ่านจากคนอื่นได้ฟังจากคนอื่นได้มีคนสอนแต่ความสามารถเป็นหนา้าจีตของเราเองจะต้องทำถง ได้ระดับรับฟังจากครูอาจารย์มาแล้วแต่เราไม่สามารถที่จะทําตัวของตัวให้รู้เห็นเป็นขึ้นอย่างนั้นนั่นก็ไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรที่ว่าความสามารถเป็นหน้าที่ของของตัวเองไม่ใช่คนอื่นจะมาทําให้สอนให้ได้สอนได้แต่ความรู้ความสลาดเท่านั้นพ่านผู้เจ้าถ้าหากสอนความสามารถให้ทุกคนได้ พวกที่มาสดับรับฟังโอวาทของท่านเพื่จะเป็นพระอาหารหันต์อรหนตด้วยกันไปทางนั้นนี่ท่านบอกให้แต่ทาหน้าที่เดินเป็นหน้าที่ของคนคนนั้นจะเดินไปชารเร็วเป็นหน้าที่ของเขาเขาจะไม่ไปเพราะผู้ท้เจ้าก็ไม่กก บ, ไม บ, บังคับมีพวกเราที่มาบวชในาศาสนาเราบ่ายมีโชคลาภมีโอกาสอันดี ยากนักนะที่จะเดบวดในศาสนาคนอยู่ในฆราวาสนับหมื่นนับแสนไม่ได้มากมายเหลือเกินแต่นักบวชมีน้อยบวชแล้วที่จะตั้งหน้าต่างตา ป, ปฏิบัตริรักษาจิตของตนให้สงบลังนับที่จะรายาจิตของตนส่วนความถอดถอนความติดข้องต่างๆ ก็ายากเท่าไปไม่ใช่น้อยไม่ใช่ว่าบวชมาแล้วจะดีจะเด่นจะเลิศจะไปสวดทีเดียวบวชต้องฝึกต้องอบรมต้องขยันหมั่นเตียนหน้าที่ของนักบวชไม่ใช่หน้าที่มาเกกะล้ า, ลานมาฝึกมาอบมที่เละมานอนมาเล่นหน้าที่ของนักบวชคือฝูก เห็นไทยในวัดป่าสงสารจะมาฝึกอบรมกายใจของตนให้เข้าหาอัตธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงหนว่ยยากลำบากก็ต้องอุตส่าห์พยายามเพราะความสุขหรือผลจากการฝึกอบรมเป็นของดีเด่นประเสริฐวิเศษยิ่งกว่าสมบัติจากพระบิลั หาผู้ไดฝึกอบรมบ่ตัวเป็นนักบวชจริงจังถกระยะกุกเวลาจะนั่งจะยืนมีความระลึกนึกคิดว่าเราบวชมาสุกใจสุึกใจของตนเพื่อชำระสาสาอารมณ์วิเปัญหาต่างๆให้ตกออกจากตัว ไม่ใชเราว่าบวชนเล่นบวชเชิญเมื่อละเลิกนึกได้อย่างนั้นความเพี้ยนของใจที่จะแก้ไขอารมณ์เป็นจิตปุ่งปุ่ ง, งติดข้องต่างๆก็มีทางที่จะํ า, าระสาสานเรื่อยไปไม่นอนใจคืออะไรที่มีความระลึกนึกคิดอยู่อย่างนั้นความเพียนของท่านองค์นั้น จะมีอยู่ทุกระยะทุกเวลาต่างหน้าต่างตาทำความดีสิ่งที่ยังไม่ดีจะทำให้ดีสิ่งที่ดีแล้วจะไม่ให้เสียความดีตัวนั่นไปจนจิตใจละดีชั่วคนส ม, มุทมือเห็นไปะจักชัดเจนในตัวดีชั่วส ม, มุทรของโลก มีเพียงแข่นี้ความดีที่เราเห็นหรือความหลุดออกไปไในใ่สมมติจะฝึกอบรมไปจีจีจีเดือนจะทำอย่างไรส่วนเหล่านั้นจะไม้เกี่ยวข้องให้เป็นเชื่อเป็นดีไปอีกไม่ได้เพราะเหนือสม ม, มติส ม, มมติไม่มีในความบริสุทธิ์ของใจที่พ้นไปหลุดไป เข้าใจชัดเจนเมื่อเป็นอย่างนั้นความสุขความสบายมันจะมีมากขนาดไหนอะไรที่จะไปเกี่ยวข้องกับความบริสุทธิ์ส่วนนั้นเราไปรูเข้าใจว่าไม่มีอะไรไม่มีการเข้าการออกการไปการมาจะเรียกว่าอะไรเป็นอัตานะเป็นอริยา จิตใจที่เป็นไปอย่างนั้นก็ต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียรฝึกอบรมตัวเองเรื่อยไปเพราะหน้าที่ของนักบวชไม่มีอะไรที่จะยุ่งเหยิงนี่จะหน้าที่จะบำเพ็ญคุณความดีก า, ารทักท้งหลับนอนก็อย่าไป เอาให้เกินเหตุเกินผลเพราะเรามาบวชไม่ใช่จะมาพักแั่งใจเรื่องทองใจได้จะมาพักเรื่องข้องใจจิตซุ่งจิตจิตนื้ต่างๆมันสอนตัวมันพิจนารณาตัวมันฝึกซ้อมตัวจิตใจที่ชั่วจะค่อยหลุดหล่นออกไปทุกวันทุกเวลาความดีนี้ค่าถึงไม่เคยเห็นใช่เป็นมาก่อนจะเกิดขึ้น เราเองจะเป็นผู้ได้รับความสุขความสบายไม่ใช่คนอื่นจะมารับให้สวรรค์นิพพานอยู่ที่ไหนจะเห็นประจับในความเป็นของจิตไม่มีการสงสัยว่าชาติน่าจะเป็นอย่างไรเพราะใจปัจจุบันรู้จักเอาใจอยู่ ทำละเอียดของใจละเอียดใปแค่ไหนค่ะมีสติมีปัญญารู้จักตัวอยู่ส ม, ม่ำเสมอความติดข้องหรือความหลุดพ้นก็นทำนองเดียวกันการฝึกอบรมจิตก็เหมือน ก, นกันกับเราทานอาหารเราอิ่มหรือยังเราก็ทราบไม่คนอื่นจะมาบอกให้ว่าอิ่มแล้วแล้วก็อิ่มไปยังไม่อิม่ม ก็จะกินไปไม่ใช่ทํานองนั้นรู้จักการประพฤติปฏิบัติของตัวเองเหมือนกันกับฐานอาหารอิ่มกว่าทราบว่าอิม่มยังไม่อิ่มกว่าทราบมีการปฏิบัติในขั้นของพวกเราท่านมันยังไม่ถึงที่สุดรีบเร่งขวนขวายพยายามจะ ท, ำำทําบําเพ็ญแม่ว่ากลางวันกางคืน เดินยืนนั่งนอนอุตสาหพยายามรักษากระทะประคองจิตจะให้ตกไปในทางชั่วทางเสียทางที่เหลียดันหามันพิจาจรณากายให้แยบคลายเข้าไปมันพิจาจรณาเวทนาให้รู้ว่าเป็นขันตลอดสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวตนคนสัตว์เป็นแต่ส่วนประกอบอันหนึ่งในใ่จิต จิตแท้เป็นอย่างไรถ้าพิ่เรนาส่วนนี้ยยกทายเข้าไปจะเห็นเมื่อจิตไม่เกี่ยวข้ของกับขันขันไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่ขันนั่นแหละจะเห็นอัศจรรย์ความจริงของจิต ห, หมั่นที่นี้พิจายนาฝึกรักษาพราะที่นักบวชไม่มีการงานด้านอื่นมีแต่ มุงหน้ามุงตาจะ่้องเพื่อปฏิบัติอาธธรรมให้รู้เห็นตามเป็นจริงเท่านั้นจึงหดายคือว่าพวกเราโชคดีที่มีโอกาสามาบวชเป็น้าเป็นเนนในพระพุทธศาสนาศึกษาอบรมตัวของตัวให้ละชั่วบำเพ็ญดีทวีคูณขึ้นให้กิจสนิทในธรรมอย่าไปสะสมเรื่องกิเลสปัญหา สิงทีพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นคิดเป็นภัยในใจของเราเห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นถ้าเราเห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นจะเชื่อตามอำนาจกิเลสตัณหาของตัวก็ไม่ใช่ว่าเรามาบวชถรือกิเลสตัณหาเป็นศาสตร์เป็ดาจิตใจโดยส่วนใหญ่ที่ก็อยู่ใต้อำนาจของกิเลสตัณหาเขาเคยบังคับบัญชามามันอยากเป็นไปอย่างนั้นคิดฝันฝุ่นุงไปแต่เรื่องนอก เห็นข้องเหลวไหลว่าเป็นข้องหยบข้องดีเห็นดอกบัวเป็นครงจักเห็นกรงจักเป็นดอกบัวเห็นเลือดอาบตัวเป็นทรงประดับนี่คือเรื่องของกิเลสปัญหาเห็นทำเรียนได้ตายเกิดถึงเป็นกรงจักว่าเป็นข้องเวยวของงามของหยบของดีเห็นเลือดอาบนัวอาบตัวว่าหน่ามันแดงอย่างนั้น มันสวยมันงามอย่างนี้ก็เลือดหมามันก็มีเลือดอนะทำไมไม่เป็นหลงมันคิดหาทางแก้ไขแนสอนตัวยึงจะได้เืือนักบวชนักปฏิบัติคุยจะออกจางโลกต้องคิดต้องมีปัญญาในอย่างนั้นออกไปได้ มีหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายเพรไม่มีธุระหน้าที่อันอื่นนอกจากจะกมาฝึกอบรมจิตที่นิเจรนาเกิดความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ให้ใจเราเห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นความหลุดออกไปจากกิเลสปัญหาเป็นอย่างไรเรจะไม่มีทางสงสัยเราจะให้ตั้งใจประบัตปฏิบัติเอาจริงเอาจัง เหมือนกันกับราทานอาหารทานเรื่อยไปความอินเป็นอย่างไรไม่ต้องไปถามคนอืน่นจะรู้จะเข้าใจโดยตัวเองดังนั้นพวกเราท่านที่มาบวชจึงต้องควรอย่างยิ่งที่จะรักษากายวายาใจใจองตนด้วยสติปัญญาอาศัยธรรมะที่พระพุทธเจ้า สอนเอาไว้มารักษากายใจของตัวอย่าเอาที no ่เหลือปัญหาหรือความชั่วต่างๆมารักษาใจจะไม่มีวันเวลาหายจากโรคคือความทุกข์ที่เหลือปัญหาหรือความชั่วต่างๆมารักษาใจจะไม่มีวันเวลาหายจากโรคคือความทุกข์เมื่อเราเอาธรรมะ เขาว่าเป็นยารักษาเราจะมีวันเวลาหายจากโกรกคือความทุกข์นี่แหละเรื่องของนักบวชควรที่นิติเจรนาควรแก้ไขกายว่าใจาใจของตัวความชั่วไม่ได้อยู่ที่อื่นเกิดขึ้นจากตัวแล้วก็มาเขาตัวเองอยู่ในสถานที่แห่งใดความชั่วยอยู่ที่หัวใจของเรา ที่นี้พิจารณาเอาสติปัญญาเป็นไฟส่องเข้าไปดูให้เห็นไปจากในแจ้ไขส่วนใดที่มันเป็นทางทั่วแก้ไขออกจากตัวไปเมื่อแก้ไขออกไปได้ความเบาสบายก็จะเกิดขึ้นขทน้น